นะโมตัสสะทวัตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทักวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจัง ทุกขงังอ น, นัตตาติฏฐิจะเดินโทนทุกทันปกติแล้วเราก็มาเทศบ่อยครั้งเหมือนกันนะ ทีทีโอที OT, เราก็ให้พวกวิธีการปฏิบัติจิตใจให้กับพวกเราหลายครั้งเมืองกันนะวิธีที่ให้ไปก็คือให้รู้ความรู้สึกของตัวเอง การที่ตั้งสติเข้าไปรู้ความรู้สึกของตัวเองนี่เหมือนรถเหมือนเราขับรถไปเจออุบัติเหตุหรือว่ า, า จ, จะเฉลับลงทางข้างทางการกำหนดรู้ความรู้สึกก็เหมือนมีเบรก ร, รถให้อยู่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เฉดบลงข้างถนนถ้าไม่มีสติกำหนดรู้อยู่ก็ไม่มีอะไรจะช่วยได้อย่างเช่นเราขับรถไปเนี่ยบางทีมันจะจน เราก็เบรกไว้ก่อนแต่แต่อุบัติเหตุทางด้านจิตใจเนี่ยของพวกเรามันไม่ค่อยมีเบรกกันนะที่จริงการปฏิบัติธรรมมันน่าจะนั่งสงบนิ่ง ทำจิตให้เป็นหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยฟังธรรมนะเหมือนเราจะปลูกพืชอะไรลงไปเหมือนเราจะย้อมผ้าต้องซักผ้าขาวให้สะอาดแล้วเอาไปตากให้มันหมักหมาด แล้วคนเอามาลงสีถ้าทำตามขั้นตอนสีกับผ้าก็จะกินกันเป็นเนื้อเดียวทิลมะก็เช่นเดียวกันกำหนดจิตให้โลง่งให้ว่างให้สบายสักหนึ่งชั่วโมงแล้วคยมาฟังทำ จิตนั้นก็จะเปิดใจรับธรรมได้อย่างสนิทใจเราสอนให้พวกคุณมีการกำหนดจิตใจนะกำหนดจิตตั้งสติตั้งสติให้แน่นหนาะแล้วก็กำหนดจิตของตัวเอง มาตั้งไว้ที่ฐานระยะที่เราเอาจิตมาตั้งไว้ที่ฐานก็เท่ากับว่าจิตกับสติบวกกันแล้วถึงมาตั้งไว้ที่ฐานได้อยู่ที่ฐานที่ตั้งก็กลายเป็นความรู้สึกให้มอง ความรู้สึกอันนั้นอยู่ที่ฐานของตัวเองระยะที่เรามองจิตใจตั้งอยู่ฐานที่ตั้งที่เรากําหนดขึ้นอารมณ์ต่างๆก็จะไม่มีไม่มีเรื่องของผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีเรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนั้นให้ถือเอาตรงนี้ว่านั่นละคือจิต เป็นหนึ่งพอเข้าใจไหมพวกเราเปรียบเสมือนหิ่งห้อยตัวเล็กๆกำลังบินโผยผินบินบายอยู่ในวัฏจักรซึ่ง ไม่มีจุดหมายปลายทางเลยว่าจะจบลงเมื่อไรไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ากลางไม่มีที่สิ้นสุดเขาเป็นอย่างนี้มันนานแสนนาน เ, นานเดี๋ยวนี้พวกเรามาพักอยู่ในเมืองมนุษย์เหตุที่ได้มาพัก พวกเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามายังไงอยู่อย่างไงแล้วก็จะไปกันอย่างไรงเราไม่รู้เรื่องเลยนะเหตุที่ได้มาพักอยู่ในเมืองมนุษย์วันนี้เนื่องด้วยพวกเราสร้างบุญไว้จากอดีตชาติ จากอดีตชาติในพวกเราอาจจะสร้างบุญไว้อย่างมากมาเอามารวมกันเข้าแล้วได้ร่างกายของมนุษย์พอดีก็เลยได้มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้างอาตมาอยากใช้คำว่า ไม่รู้ว่าหลวงทำบุญอะไรไว้จากอดีตชาติหรือว่าใครตั้งใจมีไหมคงจะไม่มีนะอาจจะหลวงทำบุญอะไรไว้เอามารวมหน้ารวมหลังแล้วก็คือได้มาเป็นมนุษย์พอดีก็เลยมาได้มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เขาเรียกว่าไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า บุญจากอดีตชาติพอเข้าใจไหมหมามันก็อยากเป็นมนุษย์เหมือนกันะแต่มันทำบุญไม่พอมันก็เลยไปเป็นหมาเสียก็อยู่กับพวกเรานี่แหละพบภูมิเดียวกันนี่แหละทีนี้พวกเราพอได้มาเป็นมนุษย์ปุ๊บอาตมาก็บอกได้เลยว่า พวกเราเป็นคนที่โชคดีมากโชคดีอย่างที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากที่จะได้มาเกิดแต่ละภพประชาติยากมาก แต่อันนี้พวกเราโชคดีอย่างที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ายุหักมากกลายเป็นของง่ายสำหรับพวกเราไปใช่แล้วเกิดขึ้นมาหูไม่ดูตาไม่บอดไม่ใบบ้าปัญญาสามกายไม่วิดปฏิจิตไม่วิปรารก็ถือว่าโชคดีมหาศาล อันนี้อย่างที่สองนะโชคดีอย่างที่สามคือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายากที่สุดเกิดมาแล้วจะเจอศาสนาประดับโลกอยู่แต่วันนี้พวกเราอยู่อยู่ก็โโปรขึ้นในธรรมกลางของพุทธธรรมสังฆะโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือว่าพวกเราเนี่ยแกบกไหว้ยอยู่ในมหาสมุทรของกองบุญแกบกไหว้ยอยู่ในมหาสมุทรของธรรมอันนี้คือเป็นสิ่งที่โชคดีมากเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกภพทุ ก, ทกชาติใช้เวลานานเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะคําว่าศาสนาไม่ใช่เจอกันง่ายๆ เดี๋ยวนี้พ่อเราอยู่ๆก็โผล่ขึ้นในถ้ำกลางของพุทธธรรมสังฆะนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมากอันนี้โชคดีอย่างที่สามนะอย่างที่ส<อ>ี่เกิดขึ้นมาในถ้ำกลางของพุทธธรรมสังฆะแล้วจะมีครูมีอาจารย์มีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อ มาบรรยายสาธยายให้เข้าอกเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้ง่ายสำหรับพวกเราไปเสียแล้วพวกเรานี้ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากเป็นผู้ที่มีโชคมากเจอแต่สิ่งที่มีความพิเศษทั้งนั้น เจ่พวกเราไม่ทำตัวเองให้เป็นคนพิเศษเลยวันนี้เราจะพาพวกคุณทำตัวเองให้เป็นผู้มีความพิเศษเรามาถึงเมืองมนุษย์มันก็มีร่างกายกับจิตใจนะร่างกายกับจิตใจดวงเนี้ยเขาตก อยู่ใต้กฎของความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งกายและใจตกอยู่ในกฎของความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์อยู่เป็นนิดหาความสุขได้ยากที่สุดพระพุทธเจ้าตัดซ้าเติมอีกคำหนึ่งว่า ทั้งกายและใจก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายอันนี้ก็เป็นก้อนให้เราชมระยะหนึ่งนะสักวันหนึ่งเขาก็จะแตกสลายลงไปคืนดินคืนน้ำคืนลมคืนไฟให้กับสภาพของโลกไปดินน้ำลมไฟเขาก่อ ตัวขึ้นด้วยอำนาจบุญของพวกเราแต่เขาอยู่ได้ไม่นาร่างกายอันเนี้ยเดี๋ยวนี้พวกเรามาเข้าใจว่าร่างกายอันนี้เป็นเราแต่พระพุทธเจ้าผู้รู้จริงซึ่งโลกบอกว่าไม่ใช่ อาตมาก็บอกว่าไม่ใช่ร่างกายอันนี้เป็นเครื่องมือหรือก้อนบุญจากอดีตชาติให้พวกเราใช้ในเฉพาะนนในเมืองมนุษย์เท่านั้นจะเอาออกไปใช้พบไหนภูมิไหนต่อไปไม่ได้เลยเมื่อเขาหมดสภาพลงก็ต้องเอาไปเผาเพราะมันไม่มีที่เก็บเผาทิ้งนี่แหละ ที่พวกเราเคยไปงานศพพวกเราก็จะใช้คำพูดที่ดีๆสุภาพเรียบร้อยหน่อยว่าไปทำบุญให้กับคนตายแต่ไม่รู้มันจะได้หรือไม่ได้นะพวกเราทำตามประเพณีเฉยๆนะ เราไปงานศพเราเคยคิดไหมว่าช่วงไหนที่เราพูดเราคิดเราทําลงไปพอที่จะเกิดเป็นบุญบุญทิศให้กับคนที่ตายเราเคยคิดไหมถ้าพวกเราไปไม่มีบุญก็เท่ากับว่านั่นน่ะคือประเพณีทําบุญให้กับผู้ตายการที่จะเผา ก็ญาติพี่น้องเรานั่นแหละจะเป็นผู้หาวันเองว่าจะเผาวันนั้นวันนี้ไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นด่างกายอันนี้มันเป็นก้อนบุญมันเป็นเครื่องมือใช้สำหรับเมืองมนุษย์ที่เดียวแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังใครด้วยเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขามีหน้าที่ของเขาอยู่สามอย่าง เขาเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเขามีอยู่สามอย่างคือ 1. น่งเขาต้องเกี่ยสองเขาต้องเก็บสามเขาต้องตายเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นใครจะมีอำนาจวาดสนาเหนือฟ้าเหนือดินที่ไหนไม่สามารถที่จะมาลังตรงนี้ได้เลยเขามีหนทางไปของเขา ผู้เป็นเจ้าของจะรักษาดีหรือไม่ดีเขาก็ไปตรงนี้ลองให้อาหารระดับพัตตาคารตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเขาไม่ฟังเราเลยเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาอยู่สามอย่างคือต้องเก่ต้องเก็บ ต, ต้องตายเพราะฉะนั้นอาจจะมาอยากจะให้พวกเรารู้จักไว้เสียนะว่า ไม่ใช่เรามันเป็นก้อนบุญจากอดีตชาติแต่เรามาหลงหลงมาหลงกันมาตั้งนานแล้วว่าร่างกายอันนี้คือเราเพราะฉะนั้นเขามีเวลาไม่นานนะต้องบำรุงรักษาให้เป็นบำรุงรักษาให้เป็นแล้วยังไม่พอนะ่ะต้องใช้ให้ถูกต้อง ต้องใช้ให้เป็นส่วนจิตใจส่วนจิตใจจิตใจนี่ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามกับร่างกายเขาคนเนี้เขาไม่เลยไม่เคยรู้จักคำว่าแก่ไม่เคยรู้จักคำว่าเจ็บ ไม่เคยรู้จักคำว่าตายเขาไม่มีวันตายแต่ตรงกันข้ามร่างกายอันนี้มองเห็นได้สัมผัสได้ส่วนทางด้านจิตใจนั้นเขาเป็นนามธรรมเขาเป็นธาตุรู้เขาไม่มีตัวตน สัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นทีนี้จิตใจอันนี้แหะคือตัวของเราจริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัส บ, บอกพวกเราว่าให้พวกเราบำรุงรักษาจิตใจแปด0มืนสี่พันพรทธรรม์ขันเรียกว่าพระพุทธศาสนานะใจกลางของคำสอนที่ลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด แต่พวกเราไม่เคยให้ความสําคัญกับจิตใจดวงนี้เลยปล่อยให้เขาสัมมา lete เ, เ, เมาอยู่เสพโรคเสพโกรธเสพลงเสพอิจฉาพยาบาทเสพอาฆาตจองเวียน <c oughs> อยู่ตลอดเวลารู้ไหมกระบวนการที่จะส่งให้จิตดวงนี้ลงนรกก็คือโลคโกรธลงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีนนี่แหละ ไม่มีใครส่งเราไปได้อำนาจของพวกนี้แหละจะส่งจิตดวงนี้ลงไปเป็นสัตว์นรกดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสให้พวกเราบำรุงรักษาจิตใจเราเข้าใจผิดมานานว่าร่างกายอันนี้คือเราที่แท้แล้วมันเป็นบ้านพัก ของจิตใจเฉยๆนะจิตใจเวลามันมันจะนอนในเวลามันจะหลับมันมาแล้วมาเข้าร่างกายเราก็พาเขาหลับพอหลับเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็ไปแล้วเขาไปหาสิบอารมณ์เขาไม่ได้ทํางานให้เราเลยแต่เขาเอาร่างกายอันนี้เป็นคนดูพักอยู่ในเมืองมนุษย์ เขาลอนเลพระเจรเที่ยวอยู่ในเมืองมนุษย์เสษติดทางอารมณ์สัมฤเลเทเมาอยู่โ น, น่นไม่รู้ว่าไปโกรธใครเมื่อใดเกลียดใครเมื่อใดชอบใครเมื่อไรผู้เป็นเจ้าของไม่รู้เรื่องเลยอันนี้แหละที่พวกเราไม่ให้การบำรุงรักษาจิตใจปล่อยให้เขาอยู่ตามยถ า, ากับ ถ้าจะปล่อยไว้อย่างนี้เขาก็ยิ่งจะเป็นนักเสพติดซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาถึงเอาจิตใจอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดให้พวกเรารักษาจิตใจก็คือรักษาตัวเองนี่แหละหลวงปูหลวงท่านบาดยังไง ร, รู้ไหม พวกที่ตกแต่งร่างกายนี่นะโอ้หลวงปู่หลวงพณว่ามันมามัวเมาอยู่กับของที่ตายพณว่านอะมันมามัวเมาอยู่กับของตายของไม่ตายมันไม่รักษาเลยพณว่าอย่างนี้นะของตายเนี่ยมันอยู่ด้วยเข้าสุกปลาตาย ของไม่ตายมันไม่ได้กินอะไรเลยเียงแต่ว่ารักษาให้มันสมบูรณ์รักษาให้ถูกวิธีรักษาไปรักษาไปสิ่งที่ไม่ตายนั่นแหละมันจะเป็นพระอรหรันต์เป็นว่ายอย่างนี้แหละทีนี้พวกเราไม่เข้าใจกันพวกเราไม่เข้าใจกันพวกเรามายุ่งเยิองอยู่กับร่างกายอันที่ไม่อันที่จะตายไปนี้แหละที่จะทิ้งไปมา พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นภาระภาร ะ, าระอันหนักหน่วงนะร่างกายอันเนี้ยพวกเราพอที่จะรู้ไหมว่าพวกเราเกิดมาถึงวันนี้พวกเรากินข้าวไปคนละกี่กระสอบกินหมูไปคนละกี่ตัว กินผักไปคนละกี่ส่วนค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเขาสูงมากนะแต่พวกเราไม่ค่อยคิดกันเฉยๆนะแต่สุดท้ายเขาตายนะสุดท้ายเป็นของที่ไม่มีราคาเลยเอาใส่ล่องใส่ลงแล้วก็ไปเข้าเตาเผ า, าทิ้งเฉยๆนี่นะมีให้พวกเรามารู้ตรงนี้ แต่ทางด้านจิตใจทีเนี้ยสมมติว่าร่างกายอันนี้หมดสภาพลงจิตใจเราก็อยู่ไม่ได้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะออกไปพอเขาออกไปแล้วพวกเรารู้ว่ารู้ไหมว่าเขาไปไหนกัน สามีภรรยาเราไปด้วยไหมเวลาเราตายลูกหลานไม่ไปก็ไปคนเดียวอสิสมมติว่าตายลงเดี๋ยวเนี้คืนนี้จะไปนอนที่ไหนจะไปกินข้าวเย็นที่ไหน นี่เรื่องสำคัญนี่แหละเรื่องสำคัญเพราะพวกเราไม่ให้ความสำคัญกับจิตใจเลยจิตใจนี้เขาเป็นตัวของเราจริงๆถึงจะมีเพศชายเพศหญิงนั่งอยู่ตรงนี้ส่วนจิตใจที่มาสิงสถิตยอยู่ในร่างกายชายร่างกายหญิงเขาไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายเลยเขาไม่มีเพศไม่มีวัย ที่เป็นหญิงเป็นชายนั่นคือหลักฐานคือการสร้างบุญจากอดีตชาติไม่รู้ว่าสร้างบุญเท่าไหร่ได้มาเกิดเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าสร้างบุญเท่าไหร่ได้มาเกิดเป็นชายแต่จิตใจดวงนี้เขาไม่มีเพศวัยเขาอยู่ได้ด้วยร่างกายอันนี้ยังไม่หมดสภาพลงถ้าร่างกายอันนี้หมดสภาพลงปุ๊บ จิตใจตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้ัน่นหลักคือเร า, เอาพวกเราหลับตาหลับตาลองไปเดินเที่ยวอยู่ที่อนุสาวรีสิลองนึกให้ตัวเองเดินร่อนอยูดอนุสาวรีย์อ่ะ เห็นไหมใครเห็นบ้างคนที่เดินอยู่อนุสาวรีย์กับคนที่นั่งอยู่นี้เป็นคนคนเดียวกันไหม เป็นคนคนเดียวกันไหมคนที่ไปสะ <c oughs> อนุสาวรีย์เมื่อกี้นี่คือใครอันนั้นก็เรียกว่าจิตจิตบิญญาณแต่ถ้าเราใช้สติส่งเขาไปเขาจะเป็นภาพออกมา จิตวิญญาณตัวนี้เขามีภาษาประจำตัวของเขาคือภาษานึกคิดเขาจะพูดแบบไม่มีเสียงภาษานึกคิดใครเคยด่าคนในใจมีบ้างไหมนั่งอยู่นี้ใครเคยด่าคนอื่นในใจมีไหมถ้าจะไม่มีเนาะ ยกนั่นล่ะคือภาษาเขาแต่ถ้าคูค่กรณีได้ยินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผัวเลยเนาะนั่นล่ะคือภาษาประจำตัวเขาทีนี้พระพุทธเจ้ามาตรัส บ, บอกพวกเราว่าเดี๋ยวเนี้จิตใจของความเป็นปุถุชน เขาเป็นนักเสพติดทางอารมณ์เขาเป็นธาตุรู้เขาจะไม่รู้จักดีเขาจะไม่รู้จักชั่วเลยจิตที่รู้จักดีคนอืน่นด่ามันเป็นคำที่ไม่ดีเขาจะไม่โกรธจิตที่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเสพทั้งดีทั้งชั่วคนอื่นด่ามันโกรธไหมโกรธเขาโกรธแล้วต้องโกรธตอบ มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เขาไม่มีชื่อจริงนามส ก, กุลจริงนะเขามาตกอยู่ในห่วงเหวของความเป็นอนิจจังเขามาตกอยู่ในห่วงเหวของความบวกด้วยความมีตัวตนเดนี่ยวนี้แต่สุดทา้ายจริงๆสองอย่างนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตน ต, ตงอยู่ใน สิงอยู่ในร่างกายอันนี้เรแบบยึดร่างกายอันนี้ว่าเป็นเราทาั้งๆที่เขานัเนี่ะคือเราแต่เราก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้จักว่าเขาเป็นเราเราก็ไม่รู้ด้วยจากว่าเราคือเขาอดี๋ยนี้เขาสิงอยู่ในร่างกายอันเนี้ยมาสมมุติกันเป็นว่าสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานซึ่งอยู่ในระบบของความเป็นกรรม เสร็จแล้วพอร่างกายอันนี้หมดสภาพปุ๊บลงจิตใจอันนี้ก็หยูมให้ได้จะเอาบาปเอาบุญนั้นไปเกิดต่อชื่อจริงนามสจุนจริงเขาไม่มีเขาไม่มีภพภูมิที่จะสิงสถิตเป็นหลักเป็นฐานได้เลยถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าอยู่ในวัฏจักรอันนี้มีสามสิบเอ็ดภูมิ เขาไม่มีภพภูมิที่จะสิงสถิตให้เป็นหลักเป็นฐานได้เลยเขาตกอยู่ในสภาพของความเบียนไห้ตายเกิดเราอยากจะบอกพวกคุณว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาพอเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้มาถึงเมืองมนุษย์เขาอยากตายไหมล่ะไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายตาย ทั้งทงที่ไม่อยากตายใช่ไหมเขาอยู่ไม่ได้เขาถูกความเป็นอนิจจังผลักดันให้ไปเกิดไปตายอยากจะอยู่นี้สักสองพันปีก็ไม่ได้ต้องไปนั่นคือกฎของความเป็นอนิจจังทีนี้เขาอยู่เมืองมนุษ เขาไม่มีชื่อจริงนามสกุลจริงไม่มีแท่เสื้อแท่ใดทั้งนั้นแ่ะแต่พวกเรามาเข้าใจเองว่าชื่อนั้นนามสกลุลนั้นเฉยๆแต่ออกจากนี้ไปแล้วก็คือจบพระพุทธเจ้าเลยให้พวกเรารักษ า, ษาก จ, จิตใจอาตมาอยากจะบอกพวกคุณว่า ความเป็นแก่นแท้ของชีวิตจริงๆของพวกเราแต่ละคนคือจิตใจภพชาติเป็นสิ่งที่ประดับเข้ามาช่วระยะหนึ่งก็จะหมดไปเดี๋ยวนี้ภพชาติของมนุษย์ประดับความเป็นชีวิตของเราอยู่สักพักหนึ่งการเป็นมนุษย์ก็จะหมดลงถ้าบุญมากก็จะเป็นเทวบุตรเทวดาเข้ามาประดับ ถ้าบุญน้อยก็จะเป็นหมูเป็นหมามาประดับถ้าไม่มีบุญธทำช่วยอยู่เป็นนิดก็เป็นเป็นสัตว์นโลกมาประดับเขาท่องเที่ยวอยู่ในระบบนี้นานเสียนา น, านเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตา ย, ย, ตายท่องเที่ยวอยู่ในพิภพอันนี้มานานเสียนานลักษณะสัมมาเลเทมองไม่มีการบำรุงรักษาช่วยตัวเองไม่ได้เลยจิตใจดวงนี้ เป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในวัตจกักอันนี้มานานเสีนนานเบื้องต้นอัตมาบอกว่าเหมือนหิ่งห้อยที่บินไปไม่รู้จักจุดหมายปลายทางเลยแต่วันนี้หลักของศาสนามาช่วยให้พวกเรารู้จักจุดจบของความเป็นจิตใจพวกเราจะเอาไหม ว่าผีตัวเนี้ยผีทั้งว่าทาั้งจิตวิญญาณตัวเนี้ยไม่มีพิธีไหนจะจะจับมาจับเขาได้เลยไม่มีหมอผีในประเทศไหนที่จะมาจับเขาได้เลยมีเราไม่มีผู้เป็นเจ้าของคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปจับได้ เราผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะเข้าไปจับได้ต้องอาศัยหลักของาศาสตร์าสนาเท่านั้นถึงจะไปเอาเขาหยุดได้อื่นๆ น, นี่หยุดเขาไม่ได้จิตใจดวงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเขียนไว้ก็ได้นะ่ะคำนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในวัตจกักรนี้พวกเรากลัวอะไร กลัวจงอางเหรอกลัวงูเห่าเหรอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็มีพิษร้ายที่สุดคือจิตใจที่ยังไม่ได้ฝึกหัดเลยจงอางเอาบาปให้เราได้ไหมงูเห่าที่ว่าร้ายกาศสิงโตเอาบาปให้ยื่นบาปให้เราได้ไหมไม่ได้ แต่จิตใจที่ไม่ได้ฝึกขัดดวงนี้เขาคว้าบาปอยู่ทุกวันพวกเรารู้ไหมจะดีจะชั่วก็อยู่กับจิตดวงนี้แหละเดียวนี่เราจะคิดเป็นบุญตลอดวันได้ไหมทำไมเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่ละวันมีหัวเราะบ้างมีร้องไห้บ้างมีโศกเศร้าเหงาหงอยบ้างเรื่องอะไร ถ้าไม่เกิดขึ้นจา ก, กจิตใจจะให้เขาดีอย่างนี้ตลอดวันนี้โ อ, อย่าได้คิดเลยนาทีสองนาทีเขาเปลี่ยนไปหลายระดับชั้นนั่นคือไม่ได้บำรุงรักษาเขาเลยการบำรุงรักษาทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมหรือว่ากรรมฐาน พวกเราเคยปฏิบัติธรรมไหมเขานั่งทั้งวันไม่พูดไม่คุยนั่งหลับตานิ่งสบายเขานั่งทำไมเขาตั้งจับผีตัวนี้ะ่ะพราเข้าใจไหมเขาเป็นเราแต่เขาไม่ได้ทำงานให้เราเขาไปเสพอารมณ์ การเสพอารมณ์เป็นบาปเป็นบุญไม่เป็นคิดเรื่องดีก็เป็นบุญคิดเรื่องชั่วก็เป็นบาปแต่ละวันเขาจะคิดเรื่องบาปมากกว่าเรื่องบุญใช่ไหมหรือว่าเรื่องบุญมากกว่าเรื่องบาปเราจะปล่อยให้เขาคิดอยู่อย่างนี้เหรอ เขาคิดแต่ละวันเป็นบาปเป็นบุญออกมาทางนั้นบาปบุญตัวนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนนะเป็นสมบัติของใจดวงนี้เองที่จะทําให้เขาเขาไปเกิดตามสถานที่ต่างๆบาปส่งไปเขาก็ส่งไปอีกที่หนึ่งบุญส่งไปเขาก็ส่งไปอีกที่หนึ่งสถานที่สองสถานที่นี้รู้สึกว่าต่างกันมาก ใครจุดทูปอธิษฐานให้ตัวเองไปลงนรกมีไหมถ้าจะไม่มีนะไม่ได้จุดก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ละการทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วเถอะอันนั้นคือการจุดทูปที่แท้จริงไม่ลงแน่ถ้าจุดทูปอยู่ยังไม่คิดดีพูดดีทำดีแนละ้วยังส่งนรกลง ยังส่งตัวเองลงนรกอยู่นะต่เนื่องด้วยจิตใจดวงนี้นี่เท่านั้นเราทังสามพวกคุณว่าตายแล้วจะไปที่ไหนอันนี้แหละเป็นภพภูมิที่คนขี้เกียจสร้างบุญสร้างคุณงามความดีถ้าเราทำดีอยู่ตลอดทุกวันทุกวันทุกวันก็นเท่ากับส่งตัวเองขึ้นสวรรค์นนะ ถ้าเราตื่นขึ้นมาด่าเช้าด่าเย็นเท่ากับตัวส่งตัวเองลงนรกนะมีผลแน่อันนี้นะมีผลแน่เพราะฉะนั้นบาปบุญสร้างได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวคําว่าบุญสร้างได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวพวกเราจะไปสร้างที่ไหนเอ่ะ เพราะเราจะไปสร้างที่ไหนเพราะฉะนั้นเมืองมนุษย์นีรู้สึกว่ามีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวนี้คนเราถูกเทคโนโลยีถูกความเจริญของโลกกลืนกินหมดแล้วจนถอนตัวไม่ขึ้นจะถอยตัวเองออกมาหาศีลหาธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยาก พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็คล้ายๆกบว่าแบกว่าอยู่ในมหาสมุทรของบุญแต่ก็เอาบุญไม่เป็นเช่นไหมเขาเรียก ว, ว่าลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมากับความเจริญของโลกลุ่มหลงมัวเมากับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้พวกเราคำว่าโลกวัตจาจักนี้เขาเป็นลูกโลกใหญ่ๆ มันมีโ ล, โลกอีกเล็กๆลูกหนึ่งอยู่ในใจกลางของโลกใบใหญ่คือโลกโเซเชียลเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ในโลกของวัตจักรแต่อยู่ในเมืองมนุษย์แต่ก็พากันแห่เข้าไปในโลกของโซเชียลนี้หมดแล้วนะไม่มีใครที่จะถอยตัวออกมารู้สินรู้ธรรมเห็นรู้ธรรมเห็นธรรมเลย มาถึงตรงนี้อาจจะมาถึงว่าอ๋อเราก็สงสารนะสงสารศรัทธายาิโยงต้องการความสุขแต่ก็เหยียบผิดทางใิ่แล้วจะพากันไปไหนกันจะพากันไปไหนกันเราสงสารนะเราห่วงนะถ้าพวกคุณ รักตัวเองพวกคุณสงสารที่เราสงสารคุณเธอเอาไปรักษาใจตัวเองเข้าใจไหมจิตใจดวงนี้ครูเต็มประเทศไม่มีใครสอนมันได้ผู้เป็นเจ้าของนี่แหละจะตั้งตัวเป็นครูเข้าไปสอนมันเองหมอผีเต็มประเทศ ไม่สามารถที่จะจับเขาได้ผู้เป็นเจ้าของนี่แหละแตดจะแสดงเป็นหมอผีเองเข้าไปหยุดเขาได้ผู้เป็นเจ้าของนี่แหละจะสอนเขาได้ตักเตือนเขาได้แต่พวกเราไม่เคยสอนตัวเองเลยอยากสอนคนอื่นอยู่ตลอดนิสัยของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ยากสอนคนอื่น คนรู้ธรรมอยากสอนคนอื่นคนมีธรรมอยากสอนตัวเองพอเข้าใจไหมคนมีธรรมอยากสอนตัวเองคนรู้ธรรมอยากสอนคนอื่นจิตใจอันนี้เขาไม่เคยตายนะถ้าเรากลายเป็นคนเปรตชาติที่จะถึงนี้ก็คือจิตใจดวงนี้แหละ ก็คือเราใช่ไหมถ้าเราไปเป็นเทวบุตรเทวดาก็จิตใจดวงเดียวนี่แหละก็คือเราเดี๋ยวนี้ใครเห็นหน้าก็รู้เลยว่าอมี จ, จิตใจแต่พอร่างกายอันนี้ตายไปแล้วถ้าไม่มีฌานมียานไม่รู้เลยว่าคนนี้ตายอดีตเขาเป็นมนุษย์คือใคร ถ้าผู้มีฌานมียานเขาจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้เราถึงบอกว่ารักษาจิตใจเถอะจิตใจอันเนี้ยการบำรุงรักษาจิตใจกับบำรุงรักษาร่างกายต่างกันมากต่างกันมากร่างกายอันนี้จะให้เขามาหับมานอนมากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอะไรจะเกิดขึ้นไม่อ้วนก็เดินไม่ได้ใช่ไหม จิตใจอ่ะมันต่างกันมากใช้ทุนแลทรัพย์รักษามากนะากายเนี่ยทานแล้วต้องออกกำลังขยับขยื่อนเขาถึงจะอยู่ได้แต่จิตใจเนี่ยเขาเป็นนักเสพติดทางอารมณ์เขาจะไม่อยู่นิ่งๆเลยแต่ละวันเขาคิดบันละกี่เรื่อง บ้านหนึ่งเพราเราคิดกันกี่เรื่องถ้าปล่อยให้เขาดิ้นรนเสีบอารมณ์อยู่อย่างนี้เขาจะไม่มีคุณภาพถ้าผู้เป็นเจ้าของใช้สติดึงเขามาไว้ที่กายให้เขานิ่งอยู่หยุดอยู่อันนี้เป็นการการออกกําลังจิตจิตนั้นจะมีคุณภาพขึ้นมาทันทีเลย ที่จะมาพูดเมื่อกี้นี่ น, ะนั่นคือปฏิบัติธรรมที่เขานั่งหลับตานี่เขาดูจิตดวงเนี้ยบ้านเขาอยู่นี่แต่เขาออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกเขาส่งกระแสออกตลอดตลอดตลอดถ้าส่งกระแสออกตลอดจิตจะไม่มีคุณภาพเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถึงเกิดขึ้นอย่างเช่นบริกรรมพุโทโธบ้าง ยุบหน่อพองหนอสัมมาอาระหังเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะมาสกัดกั้นจิตใจไม่ให้ออกไปเสพอารมณ์ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะยุบหนอพองหนอสัมมาอาระหังดูลมหายใจบริกรรมพุโทโธเพื่อที่จะไม่ให้จิตดวงนี้ส่งกระแสออกไปเสพอารมณ์เขาถึงนั่งนิ่งเฉยเขานั่งต่อสู้กับจิต ี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสินสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ที่จิตใจที่เดียวนะสมาธิเกิดขึ้นได้ที่จิตใจที่เดียวความเป็นฌานเป็นญาณเกิดขึ้นได้ที่จิตใจที่เดียวไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนเลยแต่ต้องเป็นจิตเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเท่านั้นนะ ปกติแล้วพวกเราจะมีสมาธิประจำตัวคนละสิบเปอร์เซ็นตเอาไว้ใช้งานสิบเปอร์เซนนี้เอาไปทำให้เขารู้จริงเห็นจริงได้ไหมตามคำตสัสคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ถึงเกิดการภาวนาเกิดขึ้นการภาวนาเพื่อที่จะให้จิตดวงนี้ลงไปเป็นสมาธิ พอจิตตรงนี้เข้าถึงสมาธิถอนขึ้นมาแล้วคำว่าเป็นจิตใจที่เป็นสมาธินี่แหละคือฐานที่ตั้งแห่งปัญญาฐานที่ตั้งแห่งปัญญาถ้าปัญญาหนุนด้วยสมาธิถึงจะเข้าไปรู้จริงเห็นจริงได้ถ้าไม่มีสมาธิหนุนเนี่ยไม่ได้ รู้จริงเห็นจริงไม่ได้รู้จริงเห็นจริงกับการละนะั่นก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนเอาหิวข้าวเราจะหาวิธีดึงความหิวแล้วก็คว่งทิ้งได้ไหมละ่ะไม่ได้เราต้องแก้ด้วยการทานข้าวเข้าไปทานข้าวเข้าไประหว่างความอิ่มกับความหิวกว่จะเบียดกันเองการรู้จริงรู้ปลอม ก็อยู่กับความรู้จริงนี่แหละถ้าเรารู้จริงเมื่อไใดของปลอมมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เบียดกันออกเบียดกันออกถึงตรัสได้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเขาไม่มีตัวตนน่ะแม้แต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เราชัดเจนที่สุดก็คือหนังสือธรรมะพระไตรปิฎกใช่ไหม มากไปกว่านั้นไม่มีรูปแบบอะไรเดิธรรมะอนัตตารมก็ไม่มีตัวตนจิตใจก็ไม่มีตัวตนสติก็ไม่มีตัวตนปัญญาก็ไม่มีตัวตนขมวนการที่ไม่มีตัวตนนี่แหละจะทําจิตให้เป็นพระอระหันต์ไปได้แต่ต้องถูกวิธีการนะ พอเข้าใจไหมถ้าเราออกขอบวนการที่ไอเกตชีพกำลังพูดอยู่เนี่ยถ้าเราออกจากเมืองมนุษย์เราก็หมดสิทธ์แล้วนะทาอะไรไม่ได้แล้วบุญก็ทําไม่ได้ภาวนาก็ภาวนาไม่ได้รักษาศีลก็รักษาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีอยู่ในเมืองมนุษย์ทีเดียว ดังนั้นพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญตนมากี่อสงไขยก็ช่างเถอะต้องลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ได้ร่างกายอันนี้เสียก่อนถึงจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีร่างกายแบบเนี้ยตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจิตใจถ้าพวกเราปล่อยให้เขาตาอยู่ตามยะถากรรมเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากนะ เขาไม่มีตัวตนเขาไม่มีภาษาที่มีแสงสีเสียงเลยแต่เขาเป็นผู้ที่มีความลึกลับน่ากลัวที่สุดถ้าเราเชื่อเขาเราจะพังนะจิตใจดวงนี้ไม่ใช่ธรรมดาร้อยเล่พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมคนที่จะเอาเขาลงได้นี่ไม่ธรรมดา เราก็ปฏิบัติท ร, รมนานเหมือนกันนะเรารู้สภาวะของเขาดีไม่ธรรมดาเลยคุณอนะพวกคุณะไปกลัวตั้งแต่นักเลงไปกลัวตั้งแต่จอมขมังเวทไปกลัวตั้งแต่ขจรขโมยจิตใจเสด็งไม่ได้ฝึกนี่แหละเขามีครบถ้วนเลยเป็นนักเลงประจําตัวเราก็ใช่เลย เป็นไอตัวต้มตุนประจำตัวเราก็ใช่เลยใครโดนหลอกบ้างถ้าจะแทบทุกวันใช่ไหมหลอกตัวเองยังไม่พอนะหลอกคนอื่นนี้สบายเลยนะล้วงกระเป๋าเฉยเลยเพราะฉะนั้นจิตใจเราอยากจะบอกพวกคุณว่าน่ากลัวที่สุด ใครก็พาเราลงนรกไม่ได้นะถ้ามันพาเราทำชัว่วรืยมันลงนรกไปก็คือเราเพราะฉะนั้นชาติหน้าใกล้ๆเนี่ยอย่าให้มันเสียเสียการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะสมมติว่าตายจากมนุษย์ไปลงข้างล่างเขาถือว่าขาดทุนนะ ถ้าตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเขาถือว่าได้ทุนคืนถ้าตายไปได้เป็นเทวบุตรเทวดาเอาได้กำไรก็เราขาดทุนไม่ได้กำไรแล้วเดี๋ยวนี้การปฏิบัติจิตก็เลยไม่ได้เลยวันนี้มาคุยกัน การรักษาจิตคือการภาวนานะจิตใจดวงนี้เขาเสพอารมณ์อยู่ตลอดคำว่าจิตกับอารมณ์เขาก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนทั้งสองอย่างแต่ถามว่าเขามีจุดอิ่มตัวไหมไม่มีนะมีจุดเบื่อหน่ายไหมไม่มี เขาหยุดไหมไม่มีแต่ละวันเขาไม่มีหยุดยกเว้นเวลาหลับทีนี้นสติพวกเราเดินอยู่ในห้างใหญ่ๆนี้พวกเรามีสติกันไหมยิ่งแค่นั้นมันก็ไปแล้วสติแต่สติพระกรรมฐานเนี่ยมันเป็นสติเอามาควบ คุมจิตใจไม่ให้คิดพอเข้าใจไหมสติของพระกรรมฐานสายกรรมฐานนี่เพิ่นระลึกมาควบคุมสติไม่ให้คิดจิตที่ไม่คิดไม่เสพอารมณ์จะเป็นจิตที่มีคุณภาพจิตที่ไม่คิดไม่เสพอารมณ์จะเป็นจิตที่เข้าถึงความเป็นสมาธิแต่พวกเรา จะคุมได้วันละกี่นาทีตรงนี้สำคัญมากเข้าขั้นอย่างนี้แล้วเราถ้าให้เราไปเทศที่ไหนอยากให้มันจบสิ้นนี้ยต้องสองหรือสามชั่วโมงขึ้นไปนะถ้า กว่าจะเปรียบเทียบอันนั้นให้อันนี้ให้เข้าใจแต่ละจุดละจุดละจุดจจุดจนถึงการรักษาจิตใจจริงๆ จ, จ, จนถึงการเป็นสมาธิจริงๆมันใช้เวลานานน่ะเราไี่กลัวอะไรเหรอกลัวผู้กุณไม่เข้าใจถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็ทาไม่ได้มันก็ทาไม่ได้ ถามวาสงสารไม่โอุ้ดจุดๆเลยนะจุดๆเดี๋ยวนี้พวกเราไม่รู้ตัวหรอพกพาะที่เขามีศีลมีสมาธิครบถ้วนเนี่ยเขามองเราอย่างไรพวกเราเหมือนนกเหมือนกากินลูกไม้อยู่กลางดอยกลางดงเราหนะกรีดการดกันไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยวันนี้ไดยทำบุญกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้วันนี้ทำดีสักครั้งแล้วก็ไม่รู้ ไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยอยู่ไปเป็นวันวันหมดเวลาหมดโอกาสผ่านไปผ่านไปผ่านไปก็จะหมดไปทั้งๆที่ยืนอยู่ในจุดที่สำคัญมากเดี๋ยวนี้พวกเรายืนอยู่ในถ้ากลางของพุทธธรรมะสังฆนะแต่ตัดตวงเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยสงสารตัวเองไหมเราว่า ถ้าพวกเราจะทำตัวอยู่อย่างนี้เราจะเป็นคนเจอศาสนาแบบว่าผ่านไปเฉยๆนะอย่าให้ผ่านไปศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องเจอกันง่ายๆนะไม่ใช่เจ อ, เอกันง่ายๆนะใช้เวลากับกันนี้ยังพูดไม่ได้นะ สมมติว่าเราเกิดขึ้นมาไม่มีศาสนาพุทธเอาซะเลยเอาเราจะเป็นยังไงเราก็จะไปอยู่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งซึ่งไม่ใช่ศ า, าสนาที่จะมาสอนให้เราเข้าดงของความเป็นบิน ญ, ญาณอย่างนี้เลยศาสนาพุทธนี่คือสอนให้คนทั้งหลายรู้จักความเป็นวิญญาณทั้งหลายอ่ะที่พูดเมื่อกี้นี่คือร้วนแล้วแต่ วิญญาณทั้งนั้นสติจิตธรรมะของพระพุทธเจ้าความนึกคิดอารมณ์ปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแสงสีเสียงทั้งนั้นเลยแต่เป็นขบวนการที่จะทำให้จิตใจให้เป็นพระอรหันต์ได้ร่างกายอันนี้หนึ่งแนละเอาถ้าขาดเขาไม่ได้เราเน้นความเข้าใจตรงนี้กันก่อน ก่อนจะถึงสมาธิวันนี้เราพวกเราไม่นอนดีไหมเอายันตะบางเลยไม่ต้องกินต้องดื่มมละพวกคุณขอให้สงสารตัวเองมากๆนะเวลาที่เราจะให้คุณค่ากับความเป็นชีวิตได้ก็คือกาลังมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นนะ่ะออกไปแล้วไปเป็นเทวดาก็ให้คุณค่าของความเป็นชีวิตไม่ได้ คือตรงนั้นมันเป็นภพภูมิที่เราจะไปเสวยสุขของตัวเองเนี่ยผลทานของตัวเองทำมาได้ต่อไม่ได้เลยจะไปใส่บาตรจะไปปฏิบัติธรรมจะไปนี่มันไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้พวกเราเยือนอยู่ข้างขุมสักมหาศาลนะ แต่พวกเราก็ไม่ได้ตักตวงเอาอะไรเป็นของตัวเองเลยถ้าพวกคุณลงมือปฏิบัติทำเมื่อร่นั่นละคือพวกคุณกำลังตักตวงเอาสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ตักตวงเลยแต่ละวันขอให้สังเกตตัวเองว่าอยู่ในสายของความเป็นบุญหรือ เป็นบาปขอให้พวกเรานึกถึงตัวเองแล้วก็พาตัวเองอยู่ในสายของความเป็นบุญตลอดเราอยา ก, กเล่าอะไรให้ฟังสักนิดหนึ่งมีคนคนหนึ่งเขาจะจัดงานบันเกิดเขาก็ไปซื้อของซื้อของมาแล้วก็ระยะที่ซื้อของเสร็จเขาก็โทรหาเพื่อนของเขาพรุ่งนี้วันเป็นวันเกิดของอิฉันนะ ขอให้เพื่อนมาช่วยทำอาหารถวายพระช่วยหน่อยได้ไหมวันนี้พรุ่งนี้เพื่อนเขากรับมาได้ทีนี้เขาก็ซื้อของมาบ้านมากฝนลงอย่างหนักเลยนะมาก็เอเห็นฝน ล, ลงหนักก็ทั้งหิวของก็จิตใจก็บ่นไปด้วยด่าไปด้วย พอตื่นเช้าขึ้นมาเออวันนี้ก็ไม่ต้องรีบนะเนาะมีเพื่อนมาช่วยพราะเช้ามาสายไปสายมาสายขึ้นสายขึ้นเพื่อนก็ไม่มาเอาแล้วเริ่มจ่าเริ่มขวดขึ้นข้างในแล้วหม <c oughs> อ ก, ก็บอกแล้วแต่มันก็ไม่มาไป ทำอาหารเสรก็ขับรถไปว่าก็บนไปนะบ่นให้เพื่อนไปไปถึงวัดเอา้าพระฉันแล้วก็ยิ่งโมโหขึ้นใหญ่ะ่ะพระเพื่อนก็อุตสาห์ว่าเออไม่เป็นไรย่อมยังทันอยู่นะแต่จิตใจมันก็ยังขุ่นมัวอยู่ตลอด พวกเราลองคิดดูตั้งแต่ไปซื้อของจนเอาของไปถวายพระตรงไหนมันพอที่จะมีบุญเกิดขึ้นได้บ้างอันนี้ะสร้างบุญอยู่ในถนนสายบาปจริงๆนี่นี่นะจิตใจจะเป็นบาปตลอดตลอดตลอดตั้งแต่ซื้อของมาจะทำอาหารรู้สึกว่าด่ามาตลอดนะ คือทำใจให้เป็นบุญตลอดตลอดตลอดทำใจให้ตัวเองมีความสุขสบายอันไหนมันพอที่จะทำให้จิตเป็นทุกข์ก็เขี่ยมันออกไปซะอย่าไปคิดซ้าแล้วซ้าเล่าคิดเหมือนมันย้าตะปูย้าหัวตะปูนะสิ่งไหนที่มันเป็นบุญพยายามบ่มเพราะให้มันอยู่ในใจเรื่อยๆ เ, เ, เขาเรียก ว, ว่าสายบุญ อย่าทำบาปในสายบุญอย่าทำบุญในสายบาปให้มันเป็นบุญล้วนๆพอที่จะเข้าใจไหมอย่าให้ใจขุ่นมัวนะหน้าบูดหน้าเบี้ยวไม่เป็นไรใจให้สดใสสะอาดจ่สบายสิ่งที่จะให้ความหยิบยืน่นความสุขความสบายให้เราจริงๆคือการขัดเกลากจิตใจ